บทหนึง่งท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปองโดยตรงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตรงลงมือกระทำเพราะว่าเมื่อบุคคลได้มีความรู้แล้ว จะไปลงมือปฏิบัติไปให้มันคล่องตัวมันยากพระพุทธเจ้ายังแนะนำสั่งสอนให้คนศึกษาเราเรียนแม่จะเป็นเครึงหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็ไม่มีใครมีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้ว ก็จึงได้มาศึกษาและ เ, เรียนเอาอันความรู้ทางทางโลกทางธรรมสองอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างความรู้ในทางโลกมันก็เป็นเครื่องชี่หนทางประกอบอาชีพสำหรับผู้ครองเลือนความรู้ในทางธรรมก็เป็นเครื่องส ก, กัดกั้นบาปอคุณศร์ต่าง ไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจเพราะเมื่อบุคคลไม่รู้จากบาปบุญคุณทอดแล้วมันก็ทำบาปไปไม่รู้ตัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมาหากว่าผู้ใดมาเรียนความรู้ในทางธรรมเข้าไปแล้วก็มาเชื่อพระปัญญาตัดสู้ของพระพุทธเจ้าด้วย ก็พระพุทธเจ้านั้นยอมตัดสรู้จริงเห็นแจ้งเมื่อทรงแสดงเรื่องนรกอย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งพระองค์จะไม่นํามาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังเลยอืทรงแสดงเรื่องสวรรค์อย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่เห็นสวรรค์ด้วยพระปัญญาญาณอันยิ่งแล้วพระองค์จะไม่นํามาแสดง มันก็เป็นการโกหกธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นมีสิ้นบริสุทธิ์คดฝ่องเราจะไปโกหกใครล่ะเจตนาจะโกหกไม่มีเลยสหากายังมีเจตนาจะโกหกคนโยจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเรามีเหตุผลอย่างนี้ที่จะให้เชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละ ดันั้นเราต้องให้เข้าใจกันอันมุคคลในโลกนี้ผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้นี่มันเชื่อใจไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้บางทีมันกโกหกพกรมคนได้ไม่แน่นอนเลยบางทีก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนอันสำหรับ พระอริยบุคคลนับแต่พระโถดาบันขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์อย่างนี้นี่ไม่มีใครจะไปโกโหกกลอกรวงใครในโลกนี้ไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยนี่จะยกเรื่องราวของสาวกแต่ก่อนมาพูดโสวฟัง ในข้างนั้นก็มีสองพี่น้องอแม่ตายเสียแต่ลูกผู้พี่แต่คนแม่ตายเสียทั้งกรมแล้วแต่ว่าลูกยังอยู่บุญไหลแม้ไฟเผาก็ไม่ไหม้วันนี้ลูกผู้น้องของ สังกิจจะสามเณ น, นี่นะก็ได้ไปฝึก้นอบรมตนอยู่กับสังกิจจาสามเนนแต่ว่าลูกผู้พี่ผู้น้องกันมืนี้สังกิจจาสามเนนก็ให้บวชบวชเป็นสามเืมบวชไปแล้วพอดีจะเรินไว้ใหญ่โตขึ้นพอ อายุจะครบยี่สิบบริบูรณ์แล้วผู้สามเณรนั่นก็คิดว่าจะเอาบทเป็นพระแต่ว่าสมัยก่อนนั้นนีว่าการจดจำอายุอนามนี่เห็นจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไรมั้งก็สั่งให้น้องชายไปบ้านไปถามอายุกับมารดาบิดาว่าอายุ ได้เต็มยี่สิบหรือเปล่าวันนี้วันนี้สมเณรก็เดินทางไปผู้เดียวไปก็ไปเจอโจรเข้าให้โจรก็จับเอาวันนี้โจร น, นี่มันชอบจับคนไปฆ่าบวงสรวงเทวดาอะไรเงั้นแต่สมเณรอง์นี้เพื่อนก็มีปัญญาเพื่อนก็พูดกับโจรว่า ออถ้าค่าจะมาลงเสียแล้วเช่นนี้นะชื่อเสียงมันด่งดังไปวันนี้คนผู้มังมีสีสุกเขาจะเดินทางมาทำไมเขารู้ว่าป่านี่ดงนี้มีโจรมากอย่างนี้เนยะเขาก็ไม่มากครับพวกท่านก็ขาดลาบดันั้นอย่างเราเป็นบนรรพจิตเราไม่มีอะไรไม่มีสมบัติอะไรเลยเหนั้นขอให้ปล่อย ไปเสียเถิดจะเป็นการดีแล้วคนมั่งมีเศรษฐีเนะ่เขาจะเดินทางมาแล้วพวกท่านก็จะพร้นเอากระไดเงินได้ทองจนกระเห็นดีด้วยแบบนี้จึงให้สัญญาแก่สรมเนีรว่าเมื่อเมื่อพวกเราปล่อยท่านไปแล้วท่านอย่าไปบอกใครนะว่าันนะสรมเนรก็รับว่าเราจะไม่บอกใครแนละ้วว่างั้น โจรก็ปล่อยไปท่านก็เดินทางไปบ่ายหน้าไปสู่บ้านเกิดเจ้าของไปไปไปเจอมารดาบิดาเดินทางมาพอดีสมรมเนจรก็ไม่บอกเลยว่าไปข้างหน้านั้นจะมีโจร น, นะอย่างนี้ไม่บอกเลยแล้วมารดาบิดาของสมรมเนจรก็เดินทางไปธรรมเนรก็เดินไปหาบ้านเจ้าของนั่น มนันิมารดาบิดาญาติพี่น้องไปก็ไปพบโจรเข้าไปโจรเขาก็จับเอาที่นี่พอจับแล้วผู้มารดาของสมณเณรนนก็ได้บนแหมลูกของเรานี่นะไม่บอกเราเลยว่ามีโจรมีขโมยอยู่นี่ทำไมใจดำาบันนั้นวะฮนะ จนมนุูยเข้าก็ซักถามเอคุณเป็นแม่ของสมณเณรนั่นะหรือก็เป็นแม่แท้ๆนี่แหละให้กําเนิดสมเณรมาว่างั้นโจนนึกได้โอ้สมเณรองนี้นะมีศีลมีสัต์จริงๆแม้แต่แม่ของตัวเองก็ไม่ยอมบอกเลยไม่ยอมโกหกว่างั้นไม่ยอมโกหกโจนเลยเอ็งถึงก็เลยปล่อยแม่ให้ไปซ้ําะเลย ทั้งญาติพี่น้องที่ไปด้วยกันปล่อยหมดเลยอย่างนี้เลยนี่อันนี้สงห็นความสัตย์ความจริงถึงที่ตายก็ไม่วายสีวาวาดใครยึิยึดข้าทาก็ไม่อาสันฉันว่าเพราะนั้นทุกคนต้องรักษาความสัตย์ความจริงไว้ให้ได้เมื่อเราพูดอะไรกับใครลนะ้ว่าจะทำอะไร นัดกันไปที่ไหนเมื่อไรเพราะถึงเวลานั้นต้องไปตามนัดอย่างนี้อย่าให้ไฟหนึ่งมาคอยอยู่เป่าๆแล้วไม่ไปมันก็เลยคลายความนับถือกันลงแล้วันนี้ไม่อีกไฟหนึ่งเบี้ยวแล้ว ม, มันก็ ร, ร่วมเดินทางร่วมกันไปไม่ได้เลยนี่แหละความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะ มีมิดมีสาหายก็แตกจากมิดจากสาหายเป็นงานเดืองมานนะบางคนนะสนทำผิดตรงไปแล้วอา้าวเพื่อนถามก็ปกปิดไ้โกหกอย่างนี้นะไม่ยอมบอกอก็เมื่อเพื่อนอสืบทราบเข้าภพายหลังแล้วเพื่อนก็ไม่ให้ร่วมแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ ถ, ถ้าบอกเพื่อนเสียโดยดีโอ้รับ ท, ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงอันนี้ก็ยอมให้ลงโทษได้ตามความผิดอันนั้นบางทีโทษบางอย่างก็อาจจะอโหสีกรรมไปเลยถ้าผู้นั้นยอมรับผิดลงไปแล้วไม่บิดไม่บิดเบี้ยวก็พระเจ้ายังตรัสไว้ว่าสัตจงเวอมตตาวาจา การกล่าววาจาสัตว์เป็นธรรมมันไม่ตายนี่ดังนั้นทุกคนต้องให้เคารพต่อสัจจะสินสัจจะธรรมให้ได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระที่เจ้าแท้ๆจะต้องกรงไปกรงมาความจริงนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูนบูชา การที่คนเราจะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เพราะแต่ละคนนะ่ะไม่ค่อยเคารพในความสัตย์ความจริงทั้งนี้ก็เพราะเหตุฝาจิตใจมันกลับกรอกไปด้วยอํานาจของกิเลสเมื่อกิเลสมาครอบงําเข้าแล้วมันก็กลับกรอกไปตามกิเลสเสียอย่างนี้ไอ้คําที่พูดไว้นั่นมาก็ ลืมเฉยเลยไม่ลืมก็ไม่ทาตามเฉยเลยเพราะกิเลสมันบังคับเอามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผูใ้ใดเป็นผู้ที่ยืนหยัดเคารพต่อความสัตด์ความจริงใจแล้วเช่นนี้กิเลสมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้นั่นแหละมันก็เป็นอุบายละกิเลสบาปธรรมส่วนหนึ่งการที่ เคารพต่อความสัตย์ความจริงนี่บุคคลผู้มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจจิตใจย่อมกล้าหาญไม่อ่อนแออืมความจริงใจว่าเราบูชาต่อความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเอาตายก็าตายอย่างนี้นะมันก็ทําให้ใจเข้มแข็งขึ้นเบ่งงานเรื่องมานะ่ะ ดังนั้นน่ะทุกคนก็่อยพากันเคารพต่อความสัต์ความจริงการภาวนาพิจารณาอะไรก็ต้องให้เข้าถึงความจริงให้ได้เมื่อยังไม่รู้จริงไม่ถอยในเมื่อเรากําหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เรายังสงสัยเรายังไม่รู้แจ้ง แล้วก็กําหนดเชิงนะั้นพิจารณาเอาจนมันรู้แจ้งตามความจริงแล้วจึงถอยอืจึงปล่อยวางถ้ายังไม่รู้แจ้งแล้วก็ยังยังเพ่งพิจารณากันอยู่นั่นเนี่ยเช่นนี้แนะมันทําให้จิตใจมีกําลังเข้มแข็งคอยเข้าใจอืตั้งใจว่าจะพิจารณาให้สิ่งนี้ให้มันรู้จริงะ พอมันเกิดอุปสรรคขึ้นในใจหน่อยหนึ่งแล้วก็ท้อใจเลยก็ไม่พยายามพิจารณาให้มันรู้จริงในเรื่องนั้นอย่างนี้ใจมันก็อ่อนแอมันก็ถูกกิเลสครอบงำเอาอก็ห่างไกลาจากความรู้จริงสิแบบ น, นี้นะนั่นนะมีแต่รู้ไม่จริงหวนว่าจะน้อมจิตของคิดความเห็นเข้าสู่ความจริง ไอเรื่องไม่จริงมันก็มาผักดันให้จิตคิดไปตามเรื่องไม่จริงนั่นเสียเช่นนี้เพราะนั้นให้พากันเข้าใจไว้เราเมื่อเราชอบความจริงอย่างว่านี่แล้วนะเราเพิกให้ได้ความจริงใจงจริงๆเรมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปแต่บันนี้การปฏิบัตินะอไอพวกที่ห่างไกลต่อพระนิพพาน ก็เพราะว่าจิตใจมันลอะเละไม่เคารพต่อความจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแนหะการพิจารณาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็เล้วไปเลยเช่นนี้มันก็ไม่รู้จริงสักทีเลยอืเองนั้นความความรู้จริงนี่หมายความว่าเราพิจรารณาเช่นอย่างพี่เจรณาเวทนาอย่างนี้นะ ก็เมื่อเมื่อเวทนามันผลักดันกายใจอยู่นั้นอืมมันก็ทําให้ใจท้อไม่อยากเพ่งดูเลยเวทนาทุกขวเวทนาเพราะว่ามันแสบมันร้อนมันอึดอัดมันไม่ปลอดโปรง่งอันความทุกนี่นะไปอย่างนั้นนหละทำให้จิตท้อแท้อ่อนแอเลยอที่นี่ผู้ ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ความจริงแล้วไม่ท้อเอา้ามันเกิดทุกเวทนานก็เพ่งดูแหละทุกอยู่ตรงไหนก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้นเลย อ, อย่างนั้นไม่ไม่กลัวไม่กลัวทุกแพ่งดูเอาจนมันรู้เท่าจนจิตอยู่เหนือทุกอืมจนเห็นทุกนั่นเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องของขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราขันห้าไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในขันห้าพูดอีกในหนึ่งก็ว่าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในจิตจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้ามันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้มันจึงอยู่เหนือทุกข์ได้ ถ้าไปสำคัญว่าจิตก็เป็นขันห้าขันห้าก็เป็นจิตแล้วแน่นอนมีแต่ทุกข์เลยแบบนี้จะออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะว่าขันห้ามันไม่เที่ยงอยู่นะมันแปรปวนอยู่นั้นนี่มันเป็นงนั้นเมื่อขันห้ามันก็แปรปวนอยู่นั้นจิตมันก็แปรปวยตปวนตามอยู่นั้นสิเพราะว่าจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันอืม ตามความเห็นแต่ความเป็นจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นนี่จิตมันต่างหากขันห้ามันอีกต่างหากแต่ว่าจิตก็อาศัยอยู่ขันห้านั่นแหละแต่ไม่ใช่ขันหา้านี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเอาไปพิจารณาดูถ้าหากว่าจิตเป็นขันห้าอย่างนี้แล้ว เมื่อขันหามันแจกดับไปแล้วจิตก็ดับไปตามกันก็ก็ถือว่าตายแล้วศูญเท่า น, นั้นสิเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสร้างบุญกุศลไปทําไมอ่ะสร้างไว้เพื่อใครแบบ น, นี้น่ก็ไม่จําเป็นต้องสร้างบุญกุศลเลยนั่นแหละให้พิจารณาดูให้ดีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสร้างบุญสร้างกุศลก็เพื่อจิตตรงนี้ เพื่อให้บุญกุศลนำจิตตรงนี้ออกจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้นำจิตออกนี้ดวงนี้ให้ห่างไกลจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนียกว่าทำความเกิดแก่เจ็บ ต, ตายให้สั้นเข้าออหมายคขาว่า ง, งั้นนะแม้มันยืดยาวต่อไปอีกอันบุคคลผู้ที่มีบุญน้อยกิเลสหลายนั่น่ะ มันย่อมทําความเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดเลยออกจากทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้จิตใจตรงนั้นนะเป็นอย่างงานเดิมมา น, นะถ้าหากว่าผู้ใดสั่งสมบุญกุศลให้มากฝึกจิตตรงนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปฝึกจิตตรงนี้ให้เข้มแข็งให้กล้าหาัอกล้าที่จะรู้เท่าทุกข์ ที่จะอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ทําใจให้อ่อนแอต่ออํานาจแห่งความทุกข์ในร่างกายเช่นนี้จิตใจนะี่มันก็เข้มแข็งกันไปเรื่อยๆ อ, อันนี้แหละเป็นเหตุให้ท้นทุกข์ไปได้นะอะถ้าจิตไม่อยู่เหนือทุกข์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้อถ้าจิตอ่อนแอทุกข์ก็ครอบงำอย่างนี้นะ ทุกข้องามแล้วจิตก็เป็นทุกอยู่ร่าไปเลยอ่อยาเป็นงานเดิมมา น, นะดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดไปว่าการที่ก็ปล่อยจิตไปให้ไปตามกระแสของเวทนาของทุกข์ต่างๆนั้นว่ามันจะไม่ทุกข์หลายว่ามันจะสบายไม่สบายหรอกให้เข้าใจเช่น อ, อย่างว่าเจ็บปวดอะไรมารุนแรงวะ ส่งใจไปในที่ต่างๆหวังว่าจะให้หลีกจากทุกจากความเจ็บปวดนั้นเช่นนี้นั่นมันมันหลีกไม่ได้ให้เข้าใจหลีกแบบนั้นหลีกไม่ได้เลยเพราะว่ากรรมนั่นที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยัง่วงเหนียวจิตนี่ให้ผูกพันอยู่กับขันหานี่ แม้นจิตนี่จะคิดส่งออกไปไกลเท่าไหรก็ตามมันก็ไม่ขาดจากขันหนานี่มันก็ยังวกกลับมารู้ความแปรปรวนความเวนทุกทุนในยากของกันหนานี่อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนในคนเรานั้นอดกัน้นเอออดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาอทําความรู้เท่าต่อทุกขเวทนา รู้ยังไงอ่ะก็รู้ว่าเวทนานี้ก็สักวัตเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเะพวกขันห้าขันห้าก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะเมื่อขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราแล่ทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราสิก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละ เมื่อเช่นเมื่อสะท้อนใจได้อย่างนี้ใจก็เข้มแข็งทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่หวันน่นไหวอมันก็เพ่งอยู่นั่นแหละเมื่อ e> มันเพ่งเข้าไปมากๆเขมันจิตใจมันอยู่เหนือทุกข์แล้วมันก็เรียกว่าพ้นทุกข์อ e> อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำอยู่เหนือโลกอือ ถ้ารู้จริงๆริงอ่ะได้บรรลุถึงสัจธรรมคือรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจ ร, จ, รจริงจริงอย่างนี้น ะ, ะจิตตรงนี้มันก็อยู่เหนือโลก น, นี่แหละโลกนี่มันวันไว้แปรปรวนไปยังไงจิตก็ไม่วันไว้ไปตามจึงเรียกว่าอยู่เหนือโลกนี่แหละ ดังนั้นผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายอย่าไปทำใจทอดแท้อ่อนแอให้เพิกใจเข้มแข็งมันไม่มันมันไม่ตายหรอกอันจิตนี่นะแม้มันจะสู้ทุกยังไงมันจะเพ่งดูทุกอยู่ไงมันก็ไม่ตายมันก็มันก็ความรู้อันนี้มันก็รู้อยู่มั้นเสแฉนี่แต่ว่าเมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อถอยแนละ้ว ความรู้อันนี้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นมองเห็นว่าทุกขเวทนาต่างๆนี่ก็เป็นของว่างว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขามันก็เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นแหละเออเส้นนี้แล้วจิตใจมันจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับขันหานั้นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจภาวนาสู้กันจริงจัง คนนั่งไปนี่บางคนก็มีเป็นโรคปวดเส้นปวดเอ็นอา้าวนั่งไปก็ปว่าตังกวดเอว oh. อะไรต่ออะไรบางคนก็เจ็บนู้นปวดนี่เป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แบบมเป็นหน้าที่เราจะต้องกำหนดรู้เท่ากำหนดจิตไว้ไม่ให้วันไหวต่อความทุกข์ทนได้ยากลำบากดังกล่าวมานั้น ทำได้อย่างนี้จิตมันก็รวมลงมจิตก็รวมลงได้เพราะฉะนั้นนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคอยพากันตั้งอกตั้งใจธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิตใจหรือขัดเกลากิเลสให้น้อยพอบางออกไปจากกิตใจวิในเป็นข้อบังคับความบกพรติทางกายทางวาจา ไม่ให้ออกนอกรูนอกทางถ้าหากว่าร่วงพุทธบัญญัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเน้นที่ดีไม่ได้เลยก็จะต้องเลวกันไปจะสืบศาสนาของพระเจ้าไปไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ศึกษาธรรมวินยัยร่วงวิทย์ในได้ อย่างไม่เกรงกลัวตอบโทษต่อ บ, บาปอะไรอย่างนี้นะพุทธศาสานาก็เสื่อมจากโรคนี้ไปเร็วๆแ ล, วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่พุทธศาสานาจะตั้งย่างยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณรโอปปสกวาสาิกาพร้อมกันใจพร้อมใจกันศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอา พระธรรมวินัยคำสอนที่เจ้าให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามคําสอนที่ทรงแสดงไว้นั้นต้องศึกษาให้เข้าใจวิธีจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจเจริญยังไงวิธีจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมีอยู่สามทางทางหนึ่งเกิดจากการสดับวตรับฟัง การศึกษาเราเรียนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ทางที่สองการน้อมเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้รู้ในทางปฏิบัติธรรมะข้อนี้ทรงมุ่งหมายให้ปฏิบัติให้น้อมกายน้อมจิตไปยังไงนี่นะลรวก็ศึกษาให้รู้ เช่นทรงสอนให้ทําความเพียรอย่างนี้นะอา้าวทาความเพียรทยํายังไงบ้างเพียรเพื่ออะไรอเพียรเพื่อมรมรมาสวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสิ้นไปอบาปที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วถ้าบุคคลไม่เพียรละมันมันก็ไม่ถอนมันก็ติดตามไปอ่ แม่โลกหน้าพ้นมันก็ตามไปเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเป็นทุกข์เมื่อนั้นอืมุต่างนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนในเพียรละตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เมื่อรู้ว่าตนได้พลั้งเพ้อทําทบาปอันใดอันหนึ่งมาแล้วอย่างนี้นะก็ต้องภาวนาลงไปอธิษฐานใจละเว้นเลืออ่อยไปตอนนี้ไปเข้าไปเจ้าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นอีกแล้ว ที่ทำมาแล้วก็ขอให้หมดไปสิ้นไปอทิ่ฐานใจอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็หมดไปแล้วเมื่อใจเราไม่รับเอามันไม่ยึดเอามันไว้แล้วอันนี้เราทันนกวาเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนะมเมื่อละบาปได้แล้วก็เพียรทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนแทนเช่นอย่างว่าเมื่อละความโกรธไปได้แล้ว ก็เจริญเมตตาแทนอย่างนี้นะอความโกรธนั่นมันเมื่อมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจมันบังคับใจไม่ให้มีความเอ็นดูกรุณาบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไล่มีแต่คิดจะเบียดเบียนให้มากระทบกระทั่งน่อยหนึ่งก็ยอ่อกไม่ยอมให้อภัยมีแต่ตอบโต้เป็นเวรกันไปอย่างนั้นแหละอืมนี่บุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจ ยอมเป็นผู้สร้างเวรติดตัวไปอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนในเจริญเมตตาการุณานี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเพื่อระงับความโกรธนั้นดังนั้นเมื่อความโกรธระงับไปแล้วเมตตาเกิดขึ้นแทนอย่างนี้มันเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเป็นอย่างนั้น ถ้าความโกรธยังมีอยู่เมตตาการุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นกุศลกับอกุศลเหมือนกับหน้ามือหลังมือนี่เองพิกทางหนึ่งก็เป็นหลังมือพิกทางหนึ่งก็เป็นหน้ามือจิตคนเรานี่มันก็จรินเช่นนั้นแหละเมื่อพิกจากอากุศลมายินดีในบุญกุศล กุศลมันก็ย่อมเจริญในใจจิตใจก็ย่อมเบิกบานผ่องใสอย่ น, นถ้าถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างมาก็หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นหลงโกรธเกลียดไปจิตมันก็ตกไปทางอกุศลอย่างนี้แหละมันก็เหมือนกับหน้ามือล้างมืออย่างว่าเพราะฉะนั้น พระศาสนาจึงทรงสอนให้เพียรละส่วนที่เป็นบาปออกไปเรื่อยๆแล้วส่วนเมื่อเพียรละความโกรธออกไปแล้วก็เจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแทนแล้วก็ให้พยายามรักษาเมตตาธรรมนั้นไว้ในใจเรื่อยๆไปอย่าให้เมตตามันเสื่อมจา ก, ก จ, จิตใจอย่าให้กรุณาความสงสารเอ็นดูบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มันไม่ให้มันสูญไปจา ก, ก จ, จิตใจ ให้มันตั้งมั่นอยู่นั้นสมอบัเสมอไปถ้าจิตใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมไปเช่นนั้นกุศลธรรมมันก็ย่อมไม่เสื่อมก็ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละดังนั้นให้เพึ่งเข้าใจคาว่าการเจริญกุศลธรรม ก็เจริญในใจนี้อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเราเลือกเอาแต่ทำที่ดีมาไว้ในใจทำใดเป็นฝ่ายอกุศลแล้วเราก็ละมันออกไปเรื่อยๆถ้าภาวนาไปแล้วมันจิตวุ่นวายอย่านี้ก็ให้รู้ว่านั่นคือบาปมันรกวนจิตใจแล้วก็ต้องพยายามพิจารณาค้นคว้าหาบาปเมื่อพบแล้ว ก็ที่ฐานใจละวิ้นไปเลยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่ถ้าหากว่าบาปมันละ ง, งับไปแล้วจิตใจมันก็ย่อมรวมลงย่อมสงบเป็นหนึ่งลงไปเยือกเย็นสบายไม่มีกังวลอะไร อ, อย่างนี้แหละการทำความเพียร น, นะมันประกอบไปได้วยองค์สี่อย่างนี้ให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วลงมือปฏิบัติไปบาปอากุศลมันก็หมดไปหมดไปกุศลมันก็จบเจริญขึ้นในใจิตใจใจก็สงบเร็วนี่นะเมื่อบาปไม่มีนล้บาปไม่รบกวนแล้วหิตมันก็สงบรวมลงไปโดยเร็วมันเป็นงนั้นอันวิธีทำใจให้สงบนี่นะขอให้เข้าใจ ไอเราจะเจริญปัญญาให้รู้แจ้งในธรรมของจริงได้ก็เพราะเมื่อฝึกใจให้เข้าถึงความสงบตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสม่ำเสมอไปเสียก่อนนี่เมื่อใจมันไม่วอกแวกไม่พุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นแล้วตั้งมั่นอยู่ภายในในปัจจุบันนี้เช่นนี้แล้วมันก็เหมาะสมแก่พิปัฒนาปัญญาเหมาะสมแก่การเจริญนิพพานาปัญญา เอ่างนั้นเพราะว่าการเจริญนิพพานาปัญญานั่นอ่ะมันก็ต้องจิตผองใสเมื่อจิตผองใสนึกคิดพิจารณาอะไรก็ก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นถ้ากระแสจิตมันมัวมัวเข้าไปแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นความจริงในสิ่งนั้นนั้นอย่างนี้นะ ดังนั้นเราทุกคนให้พึงพากันสนใจในการนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปเกียคล้านอืมถ้าเราเกียคล้านนั่งสมาิภาวนาแล้วก็เท่ากับว่าเปิดช่องให้กิเลสสมานทั้งหลายมันครอบงำจิตใจไปเรื่อยเมื่อกิเลสสมาร์ทครอบงำจิตใจไปมากเท่าไหร่ ความเกียดคลานยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความอ่อนแอทอแท้ก็ยิ่งมากขึ้นคอนึ ก, กว่าจะไหวพระภาวนาเนี่โอ้ยมันอ่อนพับก็ไปเหมือนยอดมาไหวถูกไปลนนี่แล้วมันจะทำความดีอะไรได้บ้นี้นะไม่ได้แล้วการที่เราจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นนี่ก็เพื่อ ที่จะเจริญองค์มรรคให้งอกงามขึ้นในจิตใจนี่เองเลยองค์มรรคทั้งแปดประการ น, นั้นย่นรวมลงในสินสมาธิปัญญานี่หมดเลยอั น, นั้น้ารักษาสินบริสุทธ์แล้วางนี้การทำการงานอะไรการพูดอะไรก็ดีการทำมาหาเรี่องชีพก็ดีก็บริสุทธิ์หมดจดจากบาปกระทั่กรรมมันชั่วต่งตางๆนี่นะวันนี้ การทําความเพียรอะไรมันก็ขยันขันแข็งเป็นอย่างนั้นไม่อ่อนแอไม่ทอดแท้เพราะว่ามันมันมองเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่แล้วดังนั้นจิตจึงดิ่งลงไปหาความสงบโดยเฉพาะอืเป็นเช่นนั้นนะให้เข้าใจกันการเจริญปัญญามันก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละตั้งมั่นลงไป เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็อย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงตรัสภาษีไว้ว่าสมาหิโตยทธาภูตังประชานาติแปล ว, ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้ดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติไปเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง เอาปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละเอาเราจะทําจิตให้สงบลงในปัจจุบันนี่แหละง น, นี้นะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเอาเราจ ะ, ะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละเอาคิดอะไรจะมันรู้แจ้งอันนั้นไปเลยรู้แจ้งแล้วปล่อยวางตามสภาพไม่ใช่ยึดถือเอาไว้เพียงแต่รู้แจ้งแล้วมันหายสงสัยเสียอย่าง น, นี้นะอันเนี้ย เมื่อเมื่อรู้แจ้งแล้วปล่อยวางสภาพจิตมันก็รวมลง ส, สนิทสนงกเก่าเก่าตั้งอยู่ได้นานกเก่าเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่ไม่หยุดไม่ยั่งเลยในเรื่อง ใ, นในดๆก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นท่านเรียกว่าปัญญามันมากกว่าสมาธิมันก็ทําให้จิตพุ่งเรื่อยไป ถ้าเมื่อพี่นายสมวาสำงควรแล้วอย่างนี้ก็ปล่อยวางแนละจิตก็รวมเป็นสมาธิลงไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพอยพากันตั้งอกตั้งใจต่อ น, นี้ไปก็นั่งภาวนากันเลยบบบนี้